บทที่85คาถามอดีตการหนึ่งคุณดืมไปมากแคหนคุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วคากนลวคุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว ค, คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว ค, คุณนอนหลับสบายไหมคุณสอบผ่านได้อย่างไร คุณหาทางพบได้อย่างไร ш ш คุณพูดกับใครมามคุณนัดกับใครมามคุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา คุณไปอยู่ที่ไหนมา где вы были? คุณเคยอยู่ที่ไหนมา где вы жили? คุณเคยทำงานที่ไหนมา где вы п р о р а б о а л и คุณแนะนำอะไรไปแล้ว что вы п о р а л и คุณทานอะไรมาคุณได้พบอะไรมา Что вы доведалися คุณขับรถมาเร็วแค่ไหนคุณใช้เวลาบินนานเท่าไหร่ คุณกระโดดได้สูงเท่าไหร่ยาคูโซกับวิสกูสโกนลิกรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด